วันนี้เป็นวันพระแรมส4สค่ำเดือนเจ็ตรงกับวันที่สองกรกดาหหนึ่งเป็นวันรวมกันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมเทศนาแต่วันนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้กล่าวสัมมูริยกถาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันได้ฟังได้ศึกษา การได้ยินได้ฟังการได้ศึกษาหล า, หลายแง่หลา ย, ลายแนวความคิดหลวงพ่อเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าพวกท่านทั้งหลายจะฟังแต่เฉพาะหลวงพ่อองค์เดียวก็คงจะฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์เพราะในวัดของเราก็มีมากและก็พร้อมกันก็ธรรมลิขิตของครูบาอาจารย์และก็ชีวประวัติของแต่ละองค์ก็มีมากไป พระธรรมเทศนาที่เป็นหนังสือก็มีมากที่พวกเราจะได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติกับพร้อมกันก็มีทั้งหนังสือหลักธรรมเป็นส่วนกลางคือพระไตรปิฎกแล้วก็พระธรรมเทศนาสาวกประวัติพุทธประวัติและก็พุทธภาสิตสาวกภาสิตมีมากที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้และก็ศึกษา แต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็นานาจิตตังนานาทัศนะองค์หนึ่งก็ได้ธรรมะทางด้านหนึ่งองค์หนึ่งก็ได้ธรรมะในแนวหนึ่งทพราหลายแนวทางลางเนื้อชอบลางปลาโบราณเขาชอบพูดอย่างนั้นแต่ว่าการทําประพุติปฏิบัติธรรมของพวกเรากคงจะลักษณะคล้ายๆนั่นแหละคือบางครั้งเราพิจารณาหรือว่าเราศึกษา มันก็ไม่ซึ้งลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นแหละพออ่านไปแล้วได้ฟังไปแล้วมันก็ไม่ซึ้งแต่บางครั้งพออ่านเข้าไปมันซึ้งในจิตใจพอฟังได้ไดยินไปแล้วมันซึ้งในจิตใจทําไมมันเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้มันหาต้นปลายสายเหตุไม่ได้มันอยู่กับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองสําหรับหลวงพ่อเองเป็นอย่างนั้นทั้งที่ได้ยินบางครั้ง ก็ได้ยินว่าศีลสมาธิปัญญานะสติปัญญานะอย่างนี้พอได้ยินก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่บางครั้งได้ยินเข้าไปมันซึ้งถึงจิตใจยังไงไม่ทราบแต่พอสรุปได้เข้าๆก็ว่าจิตใจของเรามันโน้มน้าวหรือว่าจิตใจของเรามันอ่อนน้อมหรือว่าจิตใจของเราในช่วงนั้นมันโน้มเอียงไปทางด้านปัญญามันอาจจะหลีกทาง กิเลสอจิลีทางให้เราก็ได้มันก็เลยลักษณะเข้าใจได้ง่ายซึ่งในพระธรรมแต่บางครั้งมันดื้อด้านต่อพระธรรมคำสอนพูดยังไงมันก็ไม่ฟังมันลักษณะดื้อด้านอธรรมะตายนะตายนะตายนะมันก็ยังไม่เชื่อมันไม่เชื่อว่ามันจะตายอีกต่างหากมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้าจะวาไปแล้วก็จะวายอยังไง ทำไม่ว่ากิเลสมันงั้นแต่กิเลสมันหนาแน่นแต่ถ้าว่ามีทำหนาแน่นหรือว่าบรรลุธรรมแล้วมันก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นจะต้องปไปในปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามันเป็นลักษณะนั้นเราจึงได้ปฏิบัติธรรมหาแนวทางหาเลีเล่ยมที่จะฟิตธรรมขึ้นมาพอเรารู้แล้วว่ากิเลสภายในใจของเราโลภโกรธหลงนะ่ะมันนอนเนื่องอยู่ในชั้นดานของเรา มาตั้งแต่นมนานแต่พอเราได้ยินได้ฟังทมคำสั่งสอนได้ศึกษาทมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์พระรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเห็นว่ามีคุณค่าสาระประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะนั้นเราอยากจะเอาทำคำสั่งสอนที่เราเห็นว่ามหาศาลนั้นเข้ามาปรับปรุงกายวาจจใจของเราให้เรารู้แจ้งเห็นจริง ตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นๆแต่ก็อย่างที่ว่าให้ข้าวมันมันยากมันไม่ยอมมันดันทุลังแต่เราก็พยายามด้วยเหตุผลนําธรรมนั้นเข้ามาปรับปรุงกายวาจาใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาปรับปรุงใจของเราให้เห็นแจ้งรู้จริงเห็นตามความเป็นจริงในหลักธรรม คำสอนหรือหลักความเป็นจริงหลักความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก็คือสินสมาธิปัญญาเป็นพื้นฐานขึ้นมาตามลำดับจนถึงกัาปัญญาปัญญานี่แปลว่าละเอียดมากมายนานับประการไม่สามารถที่จะบรรยายได้ว่าระดับไหนมันมีเล่ห์เหลี่ยมหลากหลายในจิตใจของ สัพสัตทั้งหลายถ้าว่ายังไม่ถอถอนกิเลสจนได้สําเร็จมรรคผลเป็นอริยบุคคลขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์แล้วปัญญาขั้นนี้ยังไม่จบสิน้นจะต้องพยายามกันกองไตรตรองด้วยเหตุและผลไปทีละน้อยละน้อยต่อยตัวนี้ออกไปถ อ, ถอนตอนนั้นออกไปยังเหลือตัวนั้นพอดนั้นออกไปยังเหลือตัวนี้ เพออรตัวเก่ากลับขึ้นมาขึ้นมาอีกตลบกันไปตลบกันมาเขี่ยกันไปดึงกันมาผลที่สุดไม่รู้ว่าตัวไหนจะตัวไหนนี่บางครั้งหลงเงื่อนและหลงสนตัวเองอีกต่างหากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราใช้การสังเกตใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลตามแนวแถวที่พระธรรมคาสั่งสอนที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำอันดับแรกก็คือสมาธิเราจะมองข้ามไม่ได้สติเป็นสิ่งที่จำเป็นก่อนที่จะมีสมาธิขึ้นมาได้ต้องสติต้องมาก่อนสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวในเมื่อเรามีสติและก็สัมปชัญญะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะขึ้นมาแล้ว สมาธิของเราเกิดเริ่มมีขึ้นไปเรื่อยละท่มนนีจิตใจของเรามั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเป็นพื้นฐานในสมาธิดีจิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเราไม่หิวโหวยจิตใจของเราไม่กระสับกระส่ายจิตใจของเราไม่ออกนอกรูนอกทางจิตใจของเรานิ่งสงบกําหนดดูกรรมาฐานไหน กำหนดใน9เดินก็อยู่ใน9้าเดินกำหนดอยู่ในอริยาบทไหนก็รู้มีสติรู้อยู่ว่าเราอยู่ในอริยาบทไหนในขณะนี้เดี๋ยวนี้ตลอดถึงกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่เผลอไผลไปทั้งอื่นอันนี้แปลว่าสติของเราใช่ได้ในเมื่อสติของเราอยู่ในขั้นสงบ r รือว n นนิ่งพอสมควรแต่บางท่านบางคนก็บอกว่าเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตเขาจูความสงบเป็นหนึ่งแล้วควรจะทำยังไงต่อไปอันนี้เราจะพึ่งไปปล่อยออกนอกเร็วจนเกินไปคือตามห้ยิงให้มันพักในสมาธิก่อนให้พยายามทาจิตให้อยู่ในสงบในขั้นสมาธิก่อน ให้รู้วิธีการเข้าวิธีการออกของสมาธิพอสมควรว่าวิธีการเข้าสมาธินะ่ะมันเข้ายัางไงเวลาออกออกอยังไงถ้ารู้ได้ถึงขนาดนั้นเป็นเยี่ยมแต่โดยมากยังไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับเวลานั่งสมาธิจิตเข้าสู่ความสงบนั้นมันเหมือนกับเผลอพอเผลอมันก็ลงเข้าสู่ความสงบพอจะเอาจริงๆมันก็เผลอไผลไปทางอื่น โดยมากจะลักษณะอย่างนั้นมากกว่าอันนี้คือพวกเราฝึกหัดยังไม่ชํานาญยังไม่ช่ําชองยังไม่รู้วิธีการแต่ถ้าว่าพวกเราทําไปบ่อยๆหลายครั้งรู้จักวิธีการรู้จักวิธีทางเข้าออกเราจะพยายามกําหนดให้มันอยู่กําหนดยังไงจะให้มันอยู่นิ่งกําหนดยังไงให้มันอยู่ไม่ถึงก็จะงบ ถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่มันก็อยู่ในขั้นสงบไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านอยู่ในความสงบพร้อมที่จะพิจารณาได้อันนั้นก็แปลว่าพวกเราได้ฝึกพอสมควรจึงจะถึงในระดับนี้ได้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ฝึกเพียงจับมาเป็นบางครั้งมันก็อาจจะสงบลงแบบตกเหวตกบ่อและา จ, จะวูบว่าบขึ้นมา แต่เราก็รู้ว่าเอออันนี้ไม่เคยมีไม่เคยเป็นมาก่อนอันนี้คือจิตมันจะนิ่งมันจะสงบถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นจะควรทํำยังไงอันนี้เราก็ให้พยายามให้มันอยู่อย่างนั้นซะก่อนให้ดูให้มีสติจับดูแต่ถ้าว่ามันทรงกระสับกระสายออกไปข้างนอกมันไปเห็นนิมิตไปเห็นภายนอกไปเห็นต้นไม้ภูเขาไปเห็นสัตว์ราสิงไปเห็นนรกสวรรค์อะไรก็ตาม เราจะไปส่งจิตใจออกไปทั้งนอกอันนั้นไปว่าจิตใจของเรามันแสลบอย่าเพิ่งส่งออกไปเพราะเรายังฝึกหัดใหม่อย่าไปส่งใจไปอย่างนั้นถ้าว่าส่งใจไปงั้นไปว่าผิดทางให้เรากลับเข้ามาหากรรมาฐานเดิมกรรมาฐานเดิมคือกรรมาฐานที่เราภาวนาอะไรก่อนที่เรานั่งสมาธิครั้งแรกในครั้งนี้เรากำหนดอะไรเรานั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ให้ย้อนจิตเข้ามาหากรรมาฐานที่เราได้ภาวนาเป็นครังแรลนคือบริกรรมพุทธโทพุทโ ท, ท, โทถ้าว่าจิตมันส่งออกไปเห็นสิ่งภายนอกเหล่านั้นอย่าไปส่งจิตออกไปภายนอกให้กลับเข้ามากรรมาฐานเดิมในเมื่อเราเขากลับเข้ามากรรมาฐานเดิมนิมิตเหล่านั้นจะหายไปเหมือนกับปิดทิ้งเลยวงั้นะเพราะเราไม่ได้ใส่ใจมัน แต่ถ้าว่าเราใส่ใจขึ้นมาก็ยิ่งขายายผลไปเรื่อยๆเหมือนกนเราดูหนังอย่างนั้นอ่ะหมดม้วนนี้เลยยังม้วนนั้นหมดม้วนนั้นเลยยังม้วนนั้นมันจะฉายไปเรื่อยผลที่สุดตัวเองก็ที่ว่าที่แรกก็ไม่ชอบดูไปอย่างงั้นแหละแต่ส่วนลึกแล้วมันชอบอย่างลึกๆแล้วมันยังอวดตัวอีกต่างหากใครไม่เห็นอย่างเรานะอย่างนี้มันมันก็มีเพราะนั้นกรรมฐานหรือว่า พวกนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ภาวนาทั้งหลายที่ไปเห็นนิมิตจะลุ่มหลวงในนิมิตลักษณะอย่างนั้นแต่ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และท่านไม่หลงท่านไม่ให้ดูเป็นหนทางที่เนิ่นช้าไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเราส่งไปเหมือนกับเราไปเที่ยวดูภูผาป่าไมา้อย่างนั้นอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพียงถวะเห็นเห็นก็เป็นอริศักว่าเห็นแต่บางครั้งก็ เป็นประโยชน์เป็นกติธรรมสอนเข้ามาหาตัวเองได้บ้างแต่มันจะลุ่มหลงในแนวความคิดในแนวความเห็นของตัวเองนั้นมากกว่าเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกส่งไปเห็นนิมิตรเรื่องต่างๆให้ดึงกลับมาให้มีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็ให้นิ่งให้สงบถ้าจะสงบให้สงบลงไปถึงฐานถึงฐานอัปปนาสมาธิ จิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ให้ส่งไปที่อื่นให้รู้ว่าสติอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่ไหนให้ดูดูจุดนั้นอันนี้แหละวิธีการทําให้จิตนิ่งในเมื่อจิตของเราจิตใจของเรานิ่งได้พักได้รับ ก, การพักผ่อนคือจิตสงบนะั่นคือการทําจิตพักผ่อนเหมือนกับนอนหลับจิตพักผ่อนคือจิตนอนหลับจิตไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ไม่ศาด ในเมื่อมันพักผรอนเต็มที่ของมันแล้วมันจะถอนขึ้นโดยอัตโนมัติในเมื่อมันถอนขึ้นมาแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงอันนี้แหละตอนนี้ตอนที่ว่าเราจะทำยังไงเมื่อถอนขึ้นมาแล้วตนน่นี้ท่านกอแนะนำให้พิจารณาพิจารณ า, า, ร, ณาร่างกายพิจารณาหน้งกายเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้เห็นร่างกาย จากนั้นก็พิจารณาเข้าไปย้อนเข้าไปถึงส่วนลึกของร่างกายมีอะไรบ้างถลกหนังออกไปแล้วเป็นไงมีเนื้อมีเอน็นมีกระดูกมีตับมีลำไส้มีหัวใจมีไหมถ้าเราพิจารณาดูเข้าไปแล้วเห็นตามหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นมีความเป็นจริงอย่างไงจริงไหม ในร่างกายของเรามีโครงกระดูกจริงไหมนี่แหละเมื่อจิตใจของเราออกจากสมาธิแล้วมันถอนออกมาแล้วให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาอย่างนี้มันจะเป็นชิ้นเป็นอันเพราะจิตของเรายังไม่กระสับกระสายจิตเจ้าใจของเราไม่หิวไม่หยเพราะใจของเราผ่านความสงบในการพักผ่อนมาบัตรหมาดใหม่พิจารณาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันเพราะเหตุไรเพราะใจของเรา ผ่านความสงบผ่านการพักผ่อนมาแล้วนี่แหละอันนี้ให้พิจารณาหรือจะพิจารณาเป็นธาตุสี่ร่างกายของเรามีธาตุสี่ดินน้ําลมไฟดินคืออะไรคือกระดูกที่อของแข็งของแข็งคือกระดูกน้ําคืออะไรเป็นน้าพวกน้ําเลือดพวกน้ําปัสสาวะเที่ยเลือดลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในลใําไส้ไฟก็คือทําให้ร่างกายอบอุ่นถ้า เราไม่มีร่างกายของเราไม่มีไฟไม่มีธาตุไฟเย็นเฉียบอันนั้นแปลว่าคนตายแล้วไม่มีธาตุไฟขาดธาตุไฟเพราะฉะนั้นร่างกายของคนเรามีธาตุสีใช่ไหมอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงมีธาตุสีตินน้ําลมไฟร่างกายของเรามีอาการสามสิบสองใช่ไหม ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื็ดในกระดูกม้ามหอวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าใช่ไหมใช่จริงเพราะร่างกายของเรามันมีอาการ32อยู่ในร่างกายของเราเนี่ร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งจุดจบมีจุดจบใช่ไหมถึงอวาสานของชีวิตใช่ไหมใช่หรือไม่อันนี้ก็ไม่มีใครปฏเิเสธใช่ แต่จะช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นแต่มีถึงจุดจบแน่นอนบางครั้งก็เหมือนกับผลไม้พอมันจาะดอกขึ้นมาหน่อยนึงลูกเล็กมันก็หล่นไปได้ต่อมาโตขึ้นมาก็หล่นได้แต่ทุกผลไม้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีลูกไหนจะอยู่นานเท่านานผลที่สุดก็ต้องจุดจบหล่นทุกลูกผลไม้นานอันนี้ ร่างกายของมนุษย์ร่างกายของพวกเราก็เช่นเดียวกันนี่แหละพยาพยามคิดพยายามฝึกฝนให้ใจของเรายอมรับว่าร่างกายของเราเป็นอย่างนี้จริงไหมนี่แหละถ้าว่าเราพิจารณาให้ฝึกฝนให้ใจของเรายอมรับอย่างนี้ใจของเรามันจะคึกมันจะขนองไปที่ไหนกิเลสตัวไหนมันจะเข้ามาได้ถ้าเราฝึกอย่างนี้แล้ว ที่มันกิเลสเข้ามาได้ที่มันไม่ยอมรับเลยคือมันไม่ยอมรับว่าตัวเองจะตายไม่ยอมรับตัวเองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไม่คิดว่าตัวเองแก่มันยังลุ่มหลงมัวเมาในลาบในยศในสรรเสริญในการเยินยอในการเป็นอยู่ของตัวเองมีความสุขเล็กๆน้อยๆเรื่องนั้นเข้ามาเสริมเรื่องนี้เข้ามาเสริมพอแก้ล้ำคานเพราะหาว่าตัวเองมีความสุขโดยมากมันเป็นลักษณะอย่างนั้นสรุปแลว้วใจของเราลุ่มหลงมัวเมา คุกเขลา้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านตรวจตราดูตัวของเราเองถ้าพวกเราไม่ตรวจตราดูตัวของเราแล้วใครจะเป็นคนตรวจให้ไม่มีใครที่จะตรวจให้ไม่มีใครที่จะละกิเลสแทนเราได้เราทอนนั้นเองจะเป็นผู้ละกิเลสโลภโกรดหลงออกจากจิตใจล้าง ราคาโทสะโมหะออกจากจิตใจของเราได้ไม่มีใครอื่นนอกจากตัวของพวกเราเองเพราะนั้นปูบาจารย์หรืพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่เป็นชี้นำชี้แนะเท่านั้นเองที่จะนำามาประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะมันนานาจิตตังนานาทัศ น, นะอย่างที่ได้กล่าวเบื้องตน้น แต่ถึงยังไงก็ตามให้นำทำคำสอนของพระพุทธเจา้ามาวิเคราะห์มาสังเกตให้สังเกตตัวเองให้เป็นผู้นักสังเกตให้นักคิดให้นักดูใจของเราในคิดเรื่องอะไรแต่ละวันมันไปทางไหนกิเลสตัวไหนเข้ามาในขณะนี้เดี๋ยวนี้แต่โดยมากมันจะเข้ามาทางการ ม, ม ก, กิเลสตัวนี้สำคัญมากกิเลสราคะ เพราะเหตุอะไรจึงว่าสําคัญเพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ ร, รมที่โคลนต้นโพวันนั้นมันเดินหกเพน็นท่านสู้กับกิเลสตัวไหนที่หนักแน่นใหญ่มากๆก็คือสู้กับตัวนี้แหละคือตัวกับกิเลสราคะนางตันหาราคาอรดีกิเลสราคะโทสะในเมื่อท่านสู้ท่านเอาชนะใจของพระ อ, องค์ได้แล้วจะนั้นก็ตัววิชาตัวอื่นตีลงไปอีก ถล่มทลายลงไปผัปวใ้สูงก็ได้ตัดฉลุทำแต่ท่นี้มาย้อนมาดูพิจารณาดูอีกว่าพระอนาคามีที่ท่านได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีนั้นท่านชำระกิเลส ต, ตัวไหนได้ชัดเจนเห็นได้ชัดเจนว่ากิเลสราคาะโทะิะกิเลสราคะนี่เป็นต้นตอที่จะนําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมาวกบุเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารนี้คือตัวนี้ พระนาคามีท่านชพระตึกกิเลตตัวนี้คือตัวกรรมมลาคานี่ท่านจึงไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารท่านขึ้นไปอยู่พรมสุดทาวารแล้วก็ไม่ลงมาเกิดอีกมีแต่ขึ้นไปชำระตัววิชาคือตัวหลงอยู่ในสัจสุดทาวารนั้นจากนั้นก็ปรินิพานไม่กลับลงมาเหยียบแผ่นดินอีกเป็นนั้นว่าสรุปได้ง่ายๆก็ว่าการมกิเลส ต, ตัวนี้พาวกวนเวียน พาสรพสัต์ทั้งหลายมาเวียนไหวตายเกิดในวะตะสงสารไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพวกเรามองดูให้ดีมองดูใจของพวกเราให้ดีใจของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้มันติดอยู่ตรงไหนอย่างไรให้พิจารณาดูคลี่คลายดูให้ดีไม่ต้องคลี่คลายที่อื่นะคลี่คลายดูตัวของเราเองเป็นอันดับแรกแยกแยะดูให้ดีจะดูในส่วนไหนของร่างกาย ทีกิเลสการ ม, มั า, าคะตัวนี้มันยึดมั่นถือมั่นอยู่จากนั้นเกี่ยขี้คลายของคนอื่นให้เห็นตามความเป็นจริงมีอันไหนที่แปกแตกต่างกันมีธาตุจดินดน้ำลมไฟเหมือนกันใช่ไหมมีหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันใช่ไหมที่เราให้ความสําคัญมั่นหมายที่ว่าเจ็ดสวยงดงามนั้นมันเป็นของแท้แน่นอนจริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายวิเคราะห์สังเกตดูให้ดี ใ่เมื่อเราดูแล้วดีแล้วนั่นแหละท่านนีกิเลสตัวไหนจะเข้ามาเราก็มองเห็นรู้ได้เห็นได้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ถอนมากก็ต้องถอนน้อยแหะไม่เบื่อมากก็ต้องเบื่อน้อยต้องเบื่อมากแน่นอนไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นตามความเป็นจริงที่มันปิดหูปิดตาของเราทุกวันนี้ก็เพราะว่าการมกิเลสกิเลสตัวนี้เข้ามาปิดบังจิตใจของเราทําให้เราลุ่มหลงมัวเมา ไปติดเกาะกับกิเลสเหล่านั้นกิเลสตัวนี้ไม่ได้เลือกชาติชั้นวรณนะไม่ได้เลือกอายุเท่าแก่น้อยหนุ่มไม่ได้เลือกสัตว์ติระฉานเพศพันธ์ไหนมันมีด้วยกันทั้งนั้นตลอดถึงสวรรค์ชั้นต่างๆมีกิเลสตัวนี้มีแต่พรหมานั้นเองที่พักพักได้บงังแต่ก็เหมือนกับศีลาทัพยา พอลงมาเกิดแล้วก็ต้องทุกโพลงขึ้นมาอีกเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้พิจารณาดูให้ดีตัวนี้พยายามที่คลายดูให้ดีเรื่องกิเลสตัวนี้เรื่องกิเลส ก, การมาราคะตัวนี้แล้วอย่าส่งเสริมแล้วก็ให้พิจารณาตลอดถึงการเป็นอยู่ทุกอย่างที่ว่าสังเกตคาว่าสังเกตคำนี้สังเกตทั้งกายสังเกตทั้งวาจา สังเกตเอาใจเป็นผู้สังเกตกายนั้นคืออะไรการอยู่การฉันการหลับการนอนการพูดการคุยการฉนทนาปารกให้สังเกตมันจะแลบขึ้นมาอย่างไรที่ไหนอย่างไรถ้าเราสังเกตเราจะรู้ได้ถ้าเราเป็นนักสังเกตถ้าเราเป็นนักซื่อบือ้อใช่อย่างเดียวนัน่นแหละมันจะไม่รู้มันจะทบุบมันจะต่อยมันจะตียังไงกับซื่อบื้ออยู่งั้น ผลทีสุดก็ร้องโหมร้องไห้กับมันเป็นทุกข์เพราะมันรั้งมันไม่อยู่เพราะเหตุไรเพราะใจมันออกพอมันออกกายมันก็ออกใจมันก็ออกผลที่สุดก็เลยเป็นทุกข์มันรั้งไม่อยู่พอมันออกไปเสร็จแล้วก็ไปร้องไห้อีกท่านเสียอกเสียใจกับอีกออกมาทําไมทําไมมันเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์กับมันอีกท่านผลที่สุดก็เลยทุกข์ทั้งขึ้นทุกข์ทั้งหลองทุกข์ทั้งไปทุกข์ทั้งอยู่เพราะเหตุไรกิเลสมันพาลากถูไป เพราะนั้นให้พวกเราใช้ปัญญาพิจารณาสังเกตไตรตรองด้วยเหตุและผลถ้าพวกเราใช้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้บ่อยๆมั่นใจและเกินว่าของเราใจของเราจะเบิกบานถอดถอนออกจากหลุมลึกของกิเลสเหล่านั้นขึ้นมาทีละน้อยละน้อยจนรู้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก็เกิดความเบือเบ่อหน่ายคลายเบื่อหน่ายคลาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจจะไม่มีผู้เห็นตามความเป็นจริงแนละอันนั้นก็คือธาตุอันนั้นก็คือปฏิกูลอันนั้นก็คือกองกระดูกอันนั้นก็คืออสุภะอันนั้นก็คืออีกสักวันหนึ่งทางนามันฉลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟมันหาสาระหาประโยชน์ไม่ได้ใจของเราทําไมไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้น ในเมื่อเราพิจารณาให้ท่วนทีอย่างนั้นแล้วนั่นแหละใจของเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นหลุดพ้นที่ไหนรู้ที่ไหนรู้แจ้งที่ไหนปล่อยวางที่ไหนไม่มีอย่างอื่นตอกจากใจใจของเราเนี่ยมันล่มหลงใจมันมัวเมาใจไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นถ้าว่าใจของเราไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่น จิตใจของเรารู้แจ้งเห็นใจิตใจของเราปล่อยวางนั่นแหละท่นเอเป็นพระอริยะบุคคลโสดาสกตาคานาคาอรหรันไม่ต้องหาที่ไหนอรหันไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายรละพวกเราทุกๆท่านมาปฏิบัติธรรมสนใจในธรรมจะให้กิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาเหยียบย่ำจิตใจของเราให้เป็นผู้สังเกตอย่างที่ว่านั้นนะ มันเข้ามาทางไหนให้เห็นตามความเป็นจริงให้พิจารณาร่างกายพิรณาธาตุขันธ์ของเราร่างกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วกิเลสตัวไหนหน้าไหนมันจะเข้ามาเียบย่าทำลายจิตใจของเราได้ถ้าเราไม่สังเกตนั่นอนะ่ะกิเลสมันจะเข้ามาเียบย่ทาทั้งวันทั้งคืนทีละน้อยละน้อ ย, อยผลที่สุดเราก็มีแต่เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ กับมันมันหลังไม่อยู่เพราะเหตุใดเพราะเราไม่รู้จักต้นปลายสายเหตุของมันเราไม่ได้สังเกตขาดการสังเกตขาดการใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้จับมองดูใจของตนเองก่อนที่จะ จ, จะสังเกตได้แล้วพรอจะจับใจให้อยู่นั้นสติสัมปะชัญญะต้องมาหาตนต่อตัวนี้อีกสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัว จากนั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะเอาสติจับแล้วจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานจะ ก, ก่อนจากนั้นคือสงบนิ่งเมื่อสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธินั่นแหละเป็นสติถ้าทำได้อย่างนั้นแปลวยบยอดเยี่ยมถึงจะไม่ถึงอัปปนาสมาธิกับอุปจารสมาธิคือสติกับจิตให้ควบคุมกันอยู่อย่าให้มันเผล้ไผลให้พร้อมที่จะทำงานได้ บังคับให้อยู่พร้อมที่จะทำงานได้จากนั้นก็พิจารณาอย่างที่ว่าน่ยพิจารณาอะไรธาตุสี่ดินน้าลมไฟพิจารณาอรุภพพิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายนี่แหละมันติดมันหลงอยู่ในกิเลสตัวนี้แหละวัดจุดใหญ่กัอย่างที่ว่าน่ยกิเลสกามะลาคะเป็นจุดใหญ่ถ้าตัดตัวนี้ขาดแล้วไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกเป็นพระนาคามี เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการปฏิบัติธรรมมีที่สิ้นสุดรู้แจ้งเห็นจริงที่ใจปล่อยวางที่ใจถลุดพ้นที่ใจใ จ, ใจของเราเนี่ยเป็นผู้ลุ่มหลงมัวเมาใจของเราเนี่แหละจะเป็นนักท่องเที่ยววกวลเวียนเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดลุ่มรุ่นลุ่มรุมรอนร้อนสูงสูงต่ําๆไม่ใช่แต่มนุษย์ชาติเท่านั้นไปทุกประเภทของสัตว์ที่ละชาน ใจของเราเนี่ยไปได้ทุกอย่างตลอดถึงสวรรค์ชั้นพรมไปได้ปกปนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละพลิกควม่มพลิกหงายอยู่อย่างนี้นเพราะฉะนั้นพวกเราพิจารณาดูให้ดีไม่เบื่อบ้างเหรอเราจะอยู่อย่างนั้นไปถึงเท่าไหร่เราจะทํายังไงให้ใจของเราจะให้สั้นเข้าให้เห็นสั้นเข้าสั้นเข้าเพื่อหเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงสลัดกิเลสออกจากจิตใจก็เป็นพระราหานะกระจบ ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตา ก, การตายแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดอีกแล้วนะนั่นหละคือว่าเป็นอนันตา ก, การเท่นั้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะให้ตั้งอกตังใจหมยรรคผลนิพพา น, นตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติธปฏิบัติมาเป็นของจริงสรุปแล้วไม่ใช่ของหลอกไม่ใช่ร้องปลอกเล่นเป็นของจริงแต่พวกเราอยากจะปฏิบัติพยายามทำ จิตให้สงบขนาดเพียงจิตสงบเป็นพื้นฐานเท่านั้นละ่ะเราก็รู้ได้แล้วว่าเออเป็นแนวทางเป็นแนวทางเบื้องต้นจากนั้นกก้าวเดินไปเรื่อยเื่เราจะเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงไปเรื่อยเรื่อยื่ยเจนถึงหมดความสงสัยสิ้นความสงสัยอย่างที่พ่อแม่ครูบายอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้การพูดการแสดงธรรมการแนะแนว ความคิดเห็นก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติอตอนนี้ไปนั่งสมาธินี่นนี่นะ